นะักบตรักดิ sa, ์ภักควัตอรหัตสัมมาสัมบุตรักดินักบตัภควตอรหัตสัมมาสัมบุทรักดินกบตรักดิ a ภควตอรหตสัมมา สัมุทธรรสัสสะจิตตังพิกาเวดันตังคุตตังรักจิตังอสังวุตังมหโตอัตไยะสังวัตะติตีตต <c oughs> ลำดับต่อไปนี้ไปจะได้ฟัง การแสดงพระธรรมเทศนาท่านขอพวกเรานั่งตามสบายให้เรียบร้อยอ่าวันนี้นับเข้าถึงวันที่แปดนะ <c oughs> <c oughs> วันที่แปดของอะไรของหมูป่าเออของของพวกทีมหมูป่า มันเป็นเรื่องน่าคิดเนาะทั่วโลกกำลังระดมผู้ที่มีความเข้มแข็งสรรพเครื่องมือต่างๆเพื่อเข้าไปในถ้านั้นช่วยคนส3บสามชีวิตผ่านไปแปดวันยังไม่มีวี่แววอะไรเออมานึกถึงบางเรื่องเหมือนกันนะของพระพุทธเจ้าเราเนี่ย ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเรื่องทำนองนี้มีไหมมีนะเออมีสมัยพระเจ้าอยู่เนี่ยพอใกล้จะเข้าพรรษาพระก็จะอยู่ตามที่ต่างๆก็จะเดินทางเข้ามาเกว่านี่แต่ละพักแต่ละพวกที่เดินทางมาจากที่ต่างๆก็เจอประสบการณ์เรื่องราวต่างๆแปลกๆกันเพราะไม่มีใครตอบได้ต้องมาถามพระพุทธเจ้า มีพระพวกหนึ่งเดินทางมาถึงใกล้จะถึงวัดประเชตตะวันแล้วก็แวะโยมคนนี้บนฉันข้าวระหว่างทาง <c oughs> ในระหว่างที่นั่งพักอยู่นั่นเนื่องจากว่ามาโดยฉุกเฉินไม่ได้นิมนต์ไว้ล่วงหน้าพอเห็นพระเดินผ่านก็นิมนต์ไปมานั่งรอแล้วก็เจ้าบ้านก็ไปทำกับข้าวอยู่ในครัวทีนี้ในครัวเนี่ย มันกั้นด้วยหญ้าแฝกมุงด้วยหญ้าแฝกแล้วเขาก็เอาหญ้าแฝกที่เตรียมจะมาซ่อมฝาผนังซ่อมหลังคาเนี่ยเขาจะทําเป็นม้วนเป็นวงกลมคล้ายกับล้อรถอย่างนั้นนะ่ะแล้วก็แฝนไว้ตามฝาผนังบ้านนึกภาพออกไหมเออทีนี้ในระหว่างพระนั่งรออยู่เนี่ยแม่ครัวก็ทํากับข้าวแล้ว ในระหว่างที่ทำกับข้าวกับ ข, ข้าวอยู่ไยมันปะทุขึ้นปะทุขึ้นแล้วก็ไปเผา <c oughs> ไปเผาไว้นี่ไปติดขวาขวาที่ทำด้วยหน้าแฝกไยก็ติดแล้วลมมันตีแรงมากพอติดเสร็จแล้วกไปไปไหมไอวงล้อหน้าแฝกที่แห้งๆที่แขวนไว้ที่ขวาผนังอะแล้วลมกระโชกแรงไอวงล้อเนี่ยที่ติดขาวาอยู่เนี่ยมันลอยขึ้นไปบนอากาศ อ้ ก, กาตัวหนึ่งมันบินมาเพลินๆชมลมชมอากาศมาเพลินๆตัวมันสวมก็ไปในในวงล้อเนี่ยวงสเสวียงเขาเรียกว่าสเสวียงหญ้าและไอ้หญ้าที่ติดไฟอยู่เนี่ยพันตัวกากานี่ม้วนลงมากระไฟมาตายต่อหน้าพระที่นั่งอยู่พระก็นั่งดูเรื่องเราเออมันแปลกเว้ยไม่มาตายอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวต้องไปถามพระพุทธเจ้านี่หนึ่งเรื่องแล้วแล้วอีกพวกหนึง่ง ก็เดินมาทางเรือพอมาทางเรือนี่เรือข้ามฟากพอวิ่งไปกลางแม่น้ำเรือนั้นหยุดกระทันหันเข็นยังไงก็ไม่ไปพายเท่าไหร่ก็ไม่ไปจะแจวจะท อ, อยังไงก็ไม่เคลื่อนจอดนิ่งอยู่กลางแม่น้ำข้างล่างก็เป็นน้ำไม่มีว่าวางบน <c oughs> บนที่แข็งอะไร <c oughs> นี้พระก็ช่วยไม่ได้พระก็นั่งนิ่งไปเหมือนกันไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะมันไม่เคลื่อนน่ะนึกถึงเราที่ไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้ทําไงแต่สมัยนั้นเนี่ยเขามีวิธีวิธีพิสูจน์ก็มีความเชื่อเรื่องการลกินีคือต้องมีบางสิ่งที่เป็นการลักกินีอยู่ในเรือลํานี้เรือถึงเคลื่อนไม่ได้ต้องคัดเอาสิ่งการลกกินีนี้ออกไป นี่ก็ว่าอะไรเนาะที่จะเป็นกาลากินีได้นอกจากคนที่ผพมพูดเรื่งว่าคนมันไม่เว้นพระพระนั่งอยู่เจ็ดรูปไม่เว้นนะคนก็ไม่เว้นพระต้องพิจารณาทีนี้วิธีเฟ้นหาว่าใครเป็นคนกาลกินีสรุปความเขาก็ทําเป็นฉลากครบตามจํานวนคนแล้วเอาฉลากสั้นที่สุดเป็นเครื่องหมายของบุคคลกาลกินีก็ จับกันนะจับครั้งแรกใบ อ, อันกาลิกินีนี่มันตกอยู่กับภรรยาของนายเรือแม่ภรรยานายเรือนี่เป็นสตรีหมายเลขหนึ่งในเรือลํานี้นะไม่ใช่ธรรมดานะทั้งสวยทั้งร่ํารวยทั้งมีอานาจจะไล่ไกลลงจากเรือก็ได้แต่ปัญหาที่มันเกิดอยู่ขณะนี้คือเรือมันไม่เคลื่อนจําต้องหาคนกาลิกินี ที่ไอ้คนในเรือพร้อมั้งพระด้วยตกลงกันว่ามันอาจจะบังเอิญก็ได้จับครั้งที่สอง อ, อรวมใหม้วไม่จับพอจับครั้งที่สองตกอยู่ที่ภรรยาของนายเรืออีกก็เลยให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งจับครั้งที่สามก็ตกเป็นของภรรยานายเรือสรุปความว่าภรรยาของนายเรือคนนี้เป็นกาละกินีต้องจับโยนออกจากเรือทิ้งแม่น้ําทีนี้ นายเรือก็บอกว่าเนื่องจากว่าข้าพเจ้านี่รักผู้หญิงคนนี้มากถ้าโยนทิ้งไปเฉยๆเนี่ยเธออาจจะร้องตะเกียดตะกายขอชีวิตเกิทนเห็นภาพอย่างนั้นไม่ได้ให้ช่วยเอาเชือกผูกแล้ว ม, มัดกับถังกระออมที่ใส่ทรายโยนทวงทิ้งทีเดียวให้จมหายไปเลยแกจะได้ไม่ต้องทรมานใจว่า ง, งั้นนายเรือว่าพอเขาผูกเสร็ทจทำตายจะโยนนายเรือบอกว่าเดี๋ยวเดีเดยว ไอ้พวกเครื่องประดับผ้านุ่งใหม่ๆเนี่ยทิ้งไปก็เสียดายเปลี่ยนถอดเครื่องประดับออกให้หมดแล้วก็เปลี่ยนผ้านุ่งก่อกให้เธอเถอะไหนๆเธอก็จะจมหายไปในน้ําแล้วนั่นแล้วก็ทิ้งไปพอผู้หญิงคนนี้ถูกโยนทิ้งลงไปในเรือจมหายไปเนี่ยเรือเคลื่อนเกิดต่อหน้าพระนะพระพวกนี้ก็ไม่รู้จะตังคก็เดี๋ยวต้องไปถามใครถามพระพุทธเจ้าสองแล้วสองพวกแล้วทีนี้อีกพวกหนึ่ง ก็เดินทางมาเหมือนกันพอใกล้มาถึงวัดประเชตวันห่างพอสมควรก็ไปพักอยู่ในที่แห่งหนึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในระหว่างที่ไปถึงว่าเนื่องจากว่าเป็นพระเถระพันสามารถในทีนี้ในสำนักสงฆ์เนี่ยกุฏิว่างไม่ค่อยมีให้สมฐานะกับที่พักก็เลยนิบนท่านขึ้นไปพักในร้มในรรมนี่สหรับรับแขกบีไพ คือข้างในอากาศจะเย็นมีเตียงต่างตั้งอย่างดีเลยพระเข้าไปนอนพักได้นี่เป็นตทตั้งเจ็ดรูปก็เข้าไปนอนพักอยู่ในถ้าแห่งนี้พอผ่านสามตุ่มสี่ทุ่มจูๆ่ๆฝนมันตกหนักลมกระโชกแรงแผ่นหินที่มันอยู่ข้างบนบนภูเขาอะมันเลื่อนลงมาพร้อมกับดินที่ ท, ท, ที่ดินไหลมากับน้ำอะแผ่นหินนี้ปิดปากถ้า สนิทพระพยายามมาผลักผักไม่ออกพระในวัดที่อยู่ในวัดทั้งธรรมนักสงฆ์มาช่วยกันดึงช่วยกันไม่ออกเรียกเกณฑ์ชาวบ้านมาทั้งหมู่บ้านมันไม่ออกเรียกหมู่บ้านอื่นมาช่วยด้วยทํายังไงไม่ออกพระที่อยู่ข้างในไม่มีอาหารแม้แต่จะให้อาหารก็ไม่ได้กินได้แต่น้ําร่างกายสูบผอมเรียวแรงหมดนอนอยู่กับพื้นคลานตมเตี้ยมต้มเตี้ยมอยู่นั่นน่ะ พอครบเจ็ดวันแผ่นหินนั้นกลิ้งไหลๆเอาเลื่อนลงออกเปิดออกเองพอเปิดออกเสร็จพระเจดรูปมันก็คลานออกมาตุ่มเตี้ยมต่มเตี้ยมต่มเตียมหมดแรงพอมาถึงเสร็จเขาก็เอาอาหารเอาน้ำเอาอะไรให้รับประทานพอมีกำลังหน่อยรีบเดินทางไปเค้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลถามเรื่องนี้และคนสามพวกพระถามพวกนี้มา มาถามพระพุทธเจ้าในเวลาเดียวกันพระพุทธเจ้าเลยเฉลยเรื่องทั้งสามเรื่องเดี๋ยวไว้ต่อวันหลังอ๋ออัศจรรย์ไหมกรรมมันอัศจรรย์นอัศจรรย์จริงพอพอถึงถามพระพุทธเจ้าเรื่องแรกนั่นน่ะข้ามไปก่อนเรื่องอีการนะะเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องสุดท้ายเนี่ยเรื่องที่ว่า แผนหินเลื่อนมาปิดไปถามพระเจ้าว่าพระทั้งเจ็ดรูปนี้เมื่อก่อนเคยเกิดเป็นเด็กเลี้ยงโคเลี้ยงโคในสมัยนั้นนี่เขาไม่ได้ผูกไม่ได้ทำคอกเขาใช้วิธีการต้อนเข้าใจคำว่าต้อนเนียแล้วก็ต้อนเลี้ยงโคเนี่ยไม่ซ้ำที่เปลี่ยนกันเจ็ดวันอย่างวันนี้ต้อนโคมากินหญ้าตรงนี้ พอวันพรุ่งนี้ต้องต้อนไปกินที่อื่นวันต่อไปก็ต้อนไปจนครบเจ็ดวันไอ้หญ้านี่ก็จะขึ้นมาก็มาตรงนี้อีกครบเจ็ดวันก็จะมาที่เดิมครบเจ็ดวันก็จะมาที่เดิมวิธีเลี้ยงก็เเลี้ยงอย่างนี้นี่เด็กตั้งเจ็ดคนต้อนโคไปเลี้ยงแล้ววันหนึ่งไปเจอเอ่อที่เราเรียกตัวเงินตัวทองอะนะ่ะเนี่ยเาเรียกมหาโคทามหาโคทานี่มหาใหญ่ ไอ้โคทาก็คือนี่แหละตัวนี้แหละไอ้โคทาใหญ่เนี่ยไปเจอตัวใหญ่มากเด็กเห็นแล้วก็นึกสนุกเอาไม้เครื่องมั่งวิ่งไล่ดักหน้าดักหลังทีนี้มันก็ตกใจตกใจมันก็วิ่งเข้าไปในจอมปลวกพอวิ่งเข้าไปในจอมปลวกเด็กทั้งเจ็ดคนนี่ก็วิ่งตามเข้าไปไม่รู้จะทํำยังไงได้ก็ไปเอาฟางเอาย้าเอาไม้เอาอะไรต่างๆมาสมสมอุดรูไว้ทั้งสองฝั่ง แล้วก็วิ่งเล่นสนุกสนานจนตกเย็นต้อนวัว ก, กลับแล้วลืมลืมเสร็จแล้วพอรุ่งเช้าอีกวันก็ต้องไปเลี้ยงโทวที่อื่นใช่ไหมต้อนไปที่อื่นครบเจ็ดวันมาที่นี่อีกทีหนึ่งพอมาถึงที่นี่อีกทีหนึ่งเนี่ยนึกได้เห็นจมปลวกแล้วนึกได้ปิดตัวโคหมาโคเท้าไว้นี่ก็ไปแกะนั่นออกมา พอแก่นั่นออกมาไอตัวตะกวดที่อยู่ข้างใ น, นก็คลานออกมาตุ้มเตียตเต้ยมตุ้มเตี้ยมมันไม่ได้กินอะไรหมดเลี้ยวหมดแรงแล้วเหลือแต่หนังรุ้มกระดูกแล้วก็เด็กก็เกิดความรู้สึกเอ็นดูสงสารเอามือไปลูบหัวมัง่งแล้วก็เปิดทางบอกไปเถอะไปเถอะไปเถอะไปเถอ ะ, เ, ถอะเด็กทั้งเจ็ดคนไม่ตกนรกไม่หมกไหม้ในนรกแต่บาปนั้นส่งผลให้พวกเขาต้องมาเกิด และติดอยู่ในที่บางแห่งอดอาหารเจ็ดวันร้อยครั้งเรียกว่าร้อยอัตภาพถ้าตายก็จะตกนรกใช่ไหมลักษณะคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกัน ไม่มีอำนาจอะไรที่จะเหนือกรรมได้ทุกๆุกของ ท, ทุกการกระทำล้วนมีผลของมันเสมอไม่มีใครทำง่ายเราก็ทำของเราเองทั้งนั้นอี ก, กาที่ควยไหม ก, กลางอากาศนั่นนะ่ะไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอี ก, กาเนี่ยเมื่อก่อนเกิดเป็นคนเลี้ยงเป็นชาวนาแล้วก็ฝึกโคให้ไถนาในขณะที่ ฝึกโคนั่นไอ้โคตัวนี้มันดือ้อพอใช่ไงเดินมันเดินก้าวหนึ่งแล้วมันก็หยุดอันนี้ก็ออกไม้เดียวเขียนเขียนก็ไปมันก็เดินทีหนึง่งเขียนก็ไปอีกทีก็เดินทีนึงพอเขียนก็ไปครั้งสองครั้งมันนึกโกรธความโกรธเผาใจใช่ไหมพอยิ่งเขี้ยนมันโกรธโกรธอ้วว่เดินไปไม่อยู่ไ ม, ไม่ไม่ทําตามความโกรธมันมากบันดาลโทสะมึงอยาก อยากอยู่เฉยๆใช่ไหมอยากนอนสบายใช่ไหมวิ่งไป อ, อกฟางฟางแห้งๆอะ่ะมาพันพันตัวโคพันคอไว้แล้วเอาไยจุดไยจุดเสร็จแล้วโคตัวนี้กลิ้งลงไปร้องโอวยหวนเลยแหละแล้วลก็ตายไอคนเนี้ยตกนรกอยู่นานแสนนาน เหลือเศษนิดหน่อยของบาปนั้นเมื่อพ้นจากนารกแล้วเศษของบาปทาให้เขาต้องมาเกิดเป็นอีกาในเจ็ดชาติเจ็ดชาติได้ถูกไฟครอกตายในลักษณะนี้อันในเรื่องของกรรมพระพิจ้าวเปิดเองไะบอกให้ฟังอีโดนเรื่องอีเรื่องหนึ่งก็เรื่องเรื่องอะไรเรื่อง อ่าคนกาลากินีใช่ไหมเออไว้เดือนหน้าสองเรื่องพอแล้วมันเป็นเรื่องราวที่บ่งบอกให้รู้ว่าเรื่องกรรมเราประมาทไม่ได้พันสิ่งที่เราจะต้องท่องไว้ในใจอยู่สเสมอเสอทุกวันทุกวันทุกวันว่าห้าประการที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราท่องเป็นคาถาประจำตัว หควรพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงผลความแก่ไปไม่ได้เพื่อไม่ให้เราเกิดความหลงมัวเมาในวัยของเราความหลงมัวเมาในวัยของตนเองว่าเรายังหนุ่มเรายังแข็งแรงเรายังเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เนี่ยถ้าเราหลงอยู่กับวัยอย่างนี้จะทําให้เราเสียโอกาสดีๆไปเยอะมาก ท่านให้เรานึกอยู่สเสมอว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้อะไรที่เราจะต้องทำต้องรีบทำอะไรชักช้าไม่ได้เพราะเราจะต้องมีความแก่เกิดขึ้นกับเราแน่นอนไอความหนุ่มความสาวเดี่ยวแรงที่เรามีอยู่นี่มันเป็นเพียงมายาภาพตั้งอยู่ชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นนี่ข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้ท่องทุกวันทุกวัน เป็นคาถาประจำตัวอันที่สองเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาล่วงผ้นความเจ็บไปไม่ได้ความแข็งแรงที่ว่าเรามีสุขภาพดีนี่เป็นเรื่องไม่จริงแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความเจ็บความป่วยเป็นธรรมดาเพราะร่างกายของเรานั้นถูกธาตุทั้งสี่ปรุงแต่งขึ้นมามันมีความบกพร่องอยู่เป็นนิดมีความ ถูกบีบคั้นถูกรุกรานอยู่จากเหตุปัจจัยต่างๆอยู่เป็นนิดเพราะฉะนั้นความเสื่อมสึกหรอของร่างกายของเรามีอยู่ทุกขณะของเวลาที่ที่เคลื่อนไปอันเราประมาทไม่ได้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรพระเจ้าเลยให้เรานึกอยู่เสมอว่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาล่วงพลความเจ็บไปไม่ได้เพื่อไม่ให้เราใช้ชีวิตอย่างประมาทโดยหลงลืมไปว่าเราจะต้องมี ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแน่ๆข้อที่สามถ้าให้พักเจดาว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้เพื่อไม่ให้หลงมัวเมาในชีวิตชีวิตเวลามันไม่ตายมันน่าเมามากนะมันหน้าเมามากเพราะว่าดูอะไรมันก็สวยสวยงามควังอะไรมันก็เพราะหูกินอะไรมันก็อร่อยลิ้นดมอะไรมันก็หอมจมูกนะ สัมผัสอะไรมันก็ดูนุ่มนวลไปหมดมันถูกอกถูกใจไปหมดแต่เวลามันไม่ตายแต่ว่าพระพิจาบอกว่าให้พิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไปยึดติดหลงอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากไม่มากไม่ได้เพราะสุดท้ายมันต้องมีความพรัราๆทีนี้ไอ้ความเมามันความหลงไหลในชีวิตลืมนึกเรื่องของความตายเนี่ยมันมันเป็นความโง่มากของมนุษย์ เพราะว่ามนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยอายุของมนุษย์มันนิดเดียวเล็กน้อยถ้าเปรียบเทียบนะถ้าเปรียบเทียบความยาวเป็นกิโลคิดดูนะเรายาวแค่แปดสิบกิโลเทวดามันยาวโอ้โหเป็นแสนแสนกิโลแค่ยาวกันเป็นล้านกิโลเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันยิ่งพรมอีก นับนับเลขไม่ค่อยได้เลยว่ามันมันยามันได้ยาวเท่าไหร่ของเราเนี่ยจะเปรียบเทียบแล้วก็สั้นนิดเดียวเวลาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเอ่อหนึ่งวันของดาวดึงเท่ากับเราหนึ่งร้อยปีชั่วเวลาของเวลาในดาวดึงอะครึ่งชั่วโมงนี้เราปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้ หนึ่งวันของเขานะเท่ากับของเราหนึ่งร้อยปีแล้วของเรามันแปบ๊บเดียวนี่ไม่เชื่อลองนึกย้อนชีวิตตัวเองเราอายุเท่าไหร่นึกย้อนไปจากตั้งแต่เราจําความได้มาจนถึงตอนเนี้ยแป๊บเดียวเองเห็นไหมแป๊บเดียวเองมีเทวดาตนหนึ่งมันตกลงมาจากสวรรค์แล้วมันมาเกิดอยู่กลางวัดประเชต ว, วันเป็นเทพดาเทวดาบริวารของมาลาภารีเทพบุตร คือมาลาพาลีที่ประมุขกันไปเก็บดอกไม้พานางอับศร่ะไปเก็บดอกไม้ที่อุทยานไอ้เวลาเก็บดอกไม้นี่ไอ้เทวดาพวกไอ้เทพธิดาพวกหนึ่งก็อยู่ข้างล่างเทพธิดาพวกหนึ่งก็ปีนขึ้นไปข้างบนไอ้พวกอยู่ข้างบนนั่นน่ะก็เก็บดอกไม้โยนลงมาไอ้พวกข้างล่างก็เก็บรวบรวมเทพธิดาต้นหนึ่งที่อยู่ข้างบนนั่นน่ะมันหมดบุญโดยการทานหัน ปุ๊บไปเกิดอยู่ที่ข้างวัดพระเชตตะวันพอไปเกิดอยู่ข้างวัดพระเชตตะวตันอ่ะโตขึ้นมาอายุสิบหกแต่งงานแต่งงานแล้วเนี่ย พ, พอมีบุตรคนหนึ่งบุตรคนแรกเดินได้ก็ตั้งท้องบุตรคนที่สองพอบุตรคนที่สองเดินได้ก็ตั้งท้องบุตรคนที่สามพอบุตรคนที่สามเดินได้ก็ตั้งท้องบุตรคนที่สี่ พออายุบุตรคนที่สี่พ อ, พอคลอดบุตรคนที่สี่เสร็จแล้วเธอตายแต่ผู้หญิงคนนี้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพอรู้เดยียงสาระลึกได้ว่าตัวเองนั้นเคยเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ในบริวารของมาลาภารีเทพบระบุตรก็ตั้งความปรารถนาเลยว่าจะทำบุญทำความดีทั้งหมด แล้วก็อธิษฐานว่าด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วนี้ขอให้ข้าพเจ้าไปเกิดในสํานักของสามีของข้าพเจ้าเธอะทีนี้นั่งอธิษฐานในใจเบาๆอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันก็เผลอดังๆคนก็ได้ยินเออีสาวคนนี้แปลกเว้ยมันทําบุญเพื่ออยากได้สามีเขาเลยเรียกชื่อเธอว่าปัชชาปฏิปูชิกาแปลว่าหญิงผู้ทําความดีมุ่งที่จะเอาสามี ปตินแปรว่าสามีปติปูชิกาหญิงผู้ทำการบูชาเพื่อหวังเอาสามีคนเขาว่ากันอย่างนั้นแต่จริงๆเธอไม่ใช่อย่างนั้นเธอโน่นอยากจะไปเกิดในสำนักโน่นแล้วก็ได้ผลเมื่อลูกคนที่สี่ของเธอเคลอดเสร็จแล้วเกิดลมกรรมชาวาตเธอตายตธอตายปั๊บไปเกิดในดาวดึงเฮไปเกิดในดาวดึงอะที่ดาวดึงก็ทำอะไรกันอยู่ รู้ว่า เ, เก็บดอกไม้ยังไม่เสร็จเลย <laughs> เออมาลาภารีเทพประบุนั้นในระหว่างนั้นก็พยายามรวบรวมดอกไม้เอ อ, อนางคว้าคุณช่วยตัวหนึ่งมันหายไปไหนวะนี่มันอู้งานหรือเปล่าเนี่ยกำลังหาไปหามาเออเดินมาพอดีเอ้าเธอไปไหนมาอ๋อฉันตกลงไปเกิดเป็นมนุษย <laughs> ์เล่าเรื่องราวให้ฟัง มาลาบารีเทพบุตรเลยว่าเอมนุษย์มีอายุแค่นี้เองเหรอถ้าอย่างนี้แสดงว่ามนุษย์นั้นวันๆคงไม่ได้ทำอะไรหรอกคงอยู่กับความไม่ประมาทและมุ่งทำบุญทำกุศลทำความดีฝึกฝนจิตใจไอ้ผู้หญิงคนนี้บอกว่าโอ๊ยนายท่านผิดแล้วมนุษย์แม้มีอายุเพียงน้อยนิดก็จริง แต่รู้สึกเหมือนตัวเองมีเป็นอสงไขมีความรู้สึกเหมือนกับตัวเองไม่แก่และไม่ตายเนี่ยไอนางฟ้ามันไปดูถูกไว้แล้วนั้นที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันไปดูถูกไว้ก็เป็นเรื่องจริงอะ่ะถ้าตราบใดไอชีวิต ต, ตอนที่มันไม่ตายเนี่ยมันน่าหลงมาก แค่ดูเนี่ย ด, ด, ดูวันวันหนึ่งอะ่ะเวลาดูตาเราดูเนี่ยคิดดูที่เราดูอะไรเราดูโลกที่มันน่าดูใช่ไหมหูเราฟังอะไรเราก็ฟังโลกที่มันน่าฟังมันน่าทั้งนั้นแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงไงมันเรื่องทําให้เราต้องเมาในชีวิตพระพิจ้าถึงให้เราพิจารณาว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้สามข้อนี้ถ้าเราพิจารณาประจำประจำประจำจะทำให้เราไม่หลงเมา ในวัยของเราไม่หลงเมาในอายุในชีวิตในความหนุ่มความแน่นของเราไม่หลงเมาในความไม่มีโรคของเราไอ้ถ้าเราไม่หลงไม่เมาในในวัยไม่หลงเมาในความไม่มีโรคไม่หลงเมาในในชีวิตเนี่ยโอ้โหมันปิดเรื่องไร้สาระของเราออกไปเยอะมากเยอะมาก เรื่องราวทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ที่เป็นข่าวเป็นคราวเนี่ยมันเกิดจากความเมาในวัยความเมาในความไม่มีโรคในความเมาในชีวิตทั้งนั้นแค่สามคาถาสามข้อที่พิจ้าว่ามรณธรรมบมิมรณะรณตีโตพยาทีธรรมบมิพยาทิงณตีโตมรณธรรมบมิมร ณ, มมรณมามณตีโตนี่สามข้อแรกสามคาถาเรกนี่ถ้าต้องทุกวันทุกวันพิจารณาทุกวันทุกวันแก้ปัญหาได้เยอะชีวิตเรานี่ เส้นใยที่ผูกจากตัวของเราไปอยู่กับโลกใบนี้ยั่วเยี่ยไปหมดนับเส้นไม่ท้วนไร้สาระทั้งนั้นถ้าเราท่องคาถานี้สามข้อพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวั น, วนเราจะเห็นเลยเส้นใยที่รัดรึงระหว่างเรากับโลกนี้มันหลุดลุ่ยออกไปเยอะมากยกตัวอย่างง่ายๆนี่อย่างเช่นว่ารู้ว่าอีกหนึ่งเช้อวงตัวเองจะตาย สมมติว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะตายเป็นไงเราจะรู้สึกว่าหลายหลายเรื่องในชีวิตของเราที่มันจะหลุดออกไปนักขณะนั้นหลุดออกไปเลยจากความสําคัญจากที่มันเคยสําคัญนักสําคัญหนาเนี่ยไอ้นั่นก็สําคัญในนี่ก็สําคัญในโน่นก็สําคัญในนี่ก็สําคัญในนี่ก็สําคัญพอรู้ว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะตายความสําคัญของสิ่งต่างๆจะหลุดลุยออกไปจากเราเลยเนี่ยมันมีเรื่องไร้สาระเยอะมาก ทีนี้พระพิจารณาสามข้อนี้ข้อต่อมาท่านให้เราท่องทุกวันทุกวันว่าสเปสเ บ, ส บ, เบปีเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราละเว้นเป็นต่างๆคือจะต้องพัดพัดต้องพลัดพรา ด, ดจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงท่านให้เราพิจารณาอางนี้เพราะความทุกข์ของเราเกิดจากความพลัดพลา ด, ดเกิดแน่ๆเลย ทุกอย่างที่ชื่อว่าของเราของเราของเราจะต้องมีความพลาดพลาดจากกันแน่นอนและแน่นอนที่สุดเมื่อมีความพลาดพลาดมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราถ้าเราท่องว่ามีความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงตามที่พระพิจ้าสอนนะภาวนาให้เป็นประจำภาวนาให้เป็นประจำเมื่อสิ่งใดก็ตามมีความพลาดพลาดเกิดขึ้นมันจะไม่เป็นทุกข์มันจะไม่เป็นทุกข์ นี่คาถาข้อที่สข้อที่ห้าพระพิจ้าว่ากรรมสโกมีกรรมทายาทุกรรมโยนิกรรมปันทุกรรมปติสรโนยังกรรมังกริสามิกัะลายนางว่าพับกังวัตสักตายาทุพวิศสามิแปล ว, ว่าเราจะเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกําเดิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทําดีจกได้ดี ทำชั่วจกได้ชั่วเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่พระพุทธเจ้าให้เราพิ จ, จารณาข้อที่ห้าข้อที่หนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วจะทําให้เราเกิดอะไรขึ้นจะทําให้เราเห็นคุณค่าของความดีจะทําให้เรามุ่งมั่นใช้เวลามีความเพียรต่อการสร้างกุศลอยู่ทุกขณะและในขณะเดียวกันมันมีความเพียรในการที่จะละอกุศล การบำเพ็ญสร้างาสร้างกุศลและอกุศลจะเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับคนที่ท่องคาถาข้อที่หานี่อ น, นอกจากว่าเราไม่ประมาทในวัยในในชีวิตไม่หลงมีความรอบคอบรัดกลมสุดท้ายแล้วยังมุ่งมั่นในเรื่องของความดีอีกคาถาชีวิตห้าข้อนี้พระพเจ้าให้เราต้องทวนทุกวันทุกวันทุกวัน ถ้าเราต้องทุกวันแล้วรับรองได้เลยจะเป็นฐานที่สำคัญสำหรับที่จะนำเราเข้าไปสู่ความพ้นทุกได้อันนี้ของพระพุทธเจ้านะเป็นคาถาที่ท่านสอนไว้ถ้าไม่อย่างนั้นโอกาสของเราที่จะอยู่กับความดีอยู่กับความงามมัน มันน้อยเหลือเกินเพราะเมื่อใดที่มีการกระทบเกิดขึ้นสิ่งที่จะออกมากับแรงกระทบนั้นคือกิเลสชาติที่มีอยู่ในใจของเราสิ่งที่มากระทบต่อเราเราหวังเสมอว่าให้มันเกิดขึ้นเฉพาะสิ่งดีๆคือสิ่งที่เราชอบแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปได้ไหมมันไม่ได้สิ่งที่กระทบนั้นมันมากระทบ ทั้งสิ่งที่ไม่ถูกใจเราด้วยเวลาเรามากระทบกับสิ่งที่มันไม่ถูกใจอะไรที่มันเกิดขึ้นก็กิเลสชาติมันทำงานงนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าเราท่องคาถาข้อที่ห้านี้ไว้เมื่อมีสิ่งใดมากระทบแล้วอกุศลลวิตกคือความตรีความคิดที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นที่ใจ จิตเราก็จะเกิดความสังวรระวังไม่ปล่อยให้ความดำริที่เป็นอกุศล น, นั้นมีอำนาจเพื่อที่จะบังคับบัญชาให้เราทำตามมันวันกรรมอันเป็นบาปของเราก็ไม่เกิดแค่ท่องคาถาข้อที่หนี่แทบจะปิดอบายได้เลยแต่ท่องทุกวันระลึกพิจารณาให้ลึกถึงทุกวันเรามีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นกรรมเดิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำดีจกได้ดีเราทำชั่ว <LEGO> จกได้ชั่วเราจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นหรือถ้าย่อไอ้สัน้นอันตร า, ายย่อไอ้สัน้นเหลือกหคือว่าทุกทุกของการกระทำย่อมมีผลเสมอทุกทุกของการกระทำย่อมมีผลเสมอทุกทุกของการกระทำย่อมมีผลเสมอ ไม่มีการกระทําใดที่ไม่มีผลอันนี้เป็นสัจจะแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าสอนและก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นเรื่องที่เล่ามาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าที่เราจะมาว่าเรื่องกรรมที่พระพุทธเจ้าเปิดเนี่ยถ้าคนฟังดูแล้วฟังแค่มันเป็นเรื่องอัศจริ๊์โอ้อัศจริ๊งนะอลังการอัศจริ๊์มันก็ไม่ได้อะไรมันได้แต่ความอลังการแต่ถ้าเราฟังแล้ว ถ้าเราเชื่อในพระพุทธเจ้าเราฟังและเรน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราทําให้เราเห็นว่าอะไรอกตังทุ ก, กตังเสยโยอันความชั่วร้ายไม่ทําเสียเลยดีกว่าปัจฉาตปติทุ ก, กตังเพราะว่าอะไรเพราะความชั่วร้ายนี่มันแผดเผาเราในภายหลังกตัญจาสุ ก, กตังเสยโยส่วนว่าความดีทําไว้เสียเลยดีกว่า เพราะว่าความดีที่เราทำไว้นั้นให้ผลเป็นสุขกระรองเราไม่เดือดร้อนนี่ของพระพุทิเจ้าเพราะเรื่องเรื่องนี้เรื่องของเด็ก13ทีวตที่ไปติดอยู่นี่อาจจะเหตุผลอื่นอะไรช่างกแต่ถ้าเรามานึกถึงเรื่องของกรรมมันก็มีทางที่จะให้คิดได้เพราะมันมีเรื่อง เ, รเปรียบเทียบนะกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต ก็เอาใจให้เขาช่วยกันได้สำเร็จก็ทรมานน่าดูแล้วถ้ายังอยู่ข้างในนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรกินป่านี้ยังไม่เจอเลยคิดดูทีตั้งพระสงค์องคะเจ้าก็ไปช่วยกันทำกันตามถนัดตามต่าเจ้าป่านนี้ยังไม่ได้เลยเนี่ยวันนี้มีข่าวอะไรไหมไม่มีเนี่ยงนวันนี้เดี๋ยวเราฟังทำเสร็จเดี๋ยวเราก็ปฏิบัติทำกันเสร็จตกเย็นก่อนเลิกอะ่ะ นั่งสามาธิกันเสร็จเราก็จะนั่งแผ่เบตากันเราก็อยากให้เดี๋ยวมันจะไปตกเทนเขา <c oughs> นะเราก็จะนั่งแผ่เบตาด้วยเอาจริงๆไม่ใช่เอาจริงๆริงจริง ๆ, ต, งๆตั้งสิบสามชีวิตนุ่นอย่างไยเราก็อย่างน้อยๆเราก็ได้มีส่วนนะเราได้มีส่วนในการที่จะส่งจิตร่วมกันแผ่เบตาเพื่อให้พวกเขา ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปแผ่เบตตาตอนวันนี้ตอนเย็นเนี่ยก็เราแผ่เอาอะไรนะเอาหมูป่ากลับบ้าน mm hmm. วันนี้ตอนเช้าเนี่ยก็ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้แหละเพราะว่ามันจะได้มันจะได้พูดเสีทีพ่าไม่ได้พูดกับใคร <laughs>